นะเสร็จแล้วอพอถามไปใช่ไหมพวกดูนก็ตอบกันนะ่ก็เกิดแผ่นดินถล่มนะสิพระยาราชศรีคิดในใจว่าบริเวณนี้ไม่เคยมีแผ่นดินถล่มมาก่อนเลยไม่น่าจะเป็นไปได้จึงถามขึ้นอีกว่าใครเป็นผู้เห็นแผ่นดินถล่มเล่าเลยเริ่มหาต้นตอแล้วจะพิสูจน์ความจริงจะยุติเรื่องได้ ฟังเฉยๆเนี่ยฟังคนพูดคนเล่ามาเฉยๆคุณว่ายุติได้ไหมยุติไม่ได้หรอกใครจะเล่ายังไงก็ได้ใครจะบอกยังไงก็ได้ใช่ไหมเออเพรา ะ, ะนั้นพยานบอกเล่าเนี่ยถ้าในศาลเนี่ยพยานบอกเล่าเนี่ยยังยันมันต้องเป็นพยานหลักฐานเลยเขาถือว่าสำคัญที่สุดถ้าแค่บอกเล่ามานี่บอกเล่ายังไงก็ได้บางทีไอ้คนบอกเล่าก็ไม่ได้เห็นด้วยนะ แล้วก็เล่าต่อๆมาอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็เลยพญาราชศรีนี่ก็เลยถามว่าใครอะ่ะเป็นคนเห็นแผ่นดินถล่มทลายสัตว์หลายชนิดจึงบอกว่าช้างนั่นแหละเป็นคนเห็นมนแล้วจริงไหมบ้าช้างเป็นคนเห็นอแผ่นดินถลม่มอหมบ้าตามเนื้อเรื่องเราก็รู้ใช่ไหมว่าช้างมันไม่ได้เห็นใช่ไหม พยาราชสีจึงหันไปถามช้างเขานี้เริ่มไล่แลเพื่อที่จะหาความชัดเจนหาความถูกต้องจริงๆไปถามหาช้างแล้วพญาราชสีจึงถามช้างใช่มแต่ช้างตอบว่าพวกข้าพเจ้าไม่รู้ไม่เห็นพวกสิงโตต่างหากเราที่เห็นไม่เห็นจริงๆก็วิ่งตามกันมาเนะพราะคิดว่าแผ่นดินถลม่มก็บอกสิงโตต่างหากที่เห็น แม้สิงโตทั้งหลายก็พากันกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าก็ไม่รู้ไม่เห็นเสือสี่รู้เห็นอันนี้เป็นบทเรียนนะฟังดูนิทานชาดกเรื่องนี้สอนดีมากถ้าใครรู้ใครเข้าใจเนี่ยจะอาตมาว่าจิตเนี่ยจะมีความละเอียดรอบคอบสุ ข, ขุมมากขึ้นเยอะเลย อ, อ่าเสร็จปรากฏว่าเสือก็ไม่รู้ไม่เห็น พวกข้าพเจ้าคือก็ถามไล่ไปเรื่อยนะพวกข้าพเจ้าก็ไม่รู้ไม่เห็นแลททั้งหลายต่างหากล่ะที่รู้เห็นเนี่ยไล่มาเรื่อยจากเสือจากสิงโตมาเสือเสือก็บอกไม่เห็นน่ะบอกว่าเจ้าแลทเห็นไอ้เจ้าแลทก็บอกว่าอุ้ยพวกข้าพเจ้าก็ไม่รู้ไม่เห็นควายน่ะเห็นพวกข้าพเจ้าก็ไม่รู้ไม่เห็นนียควายบอก วัวสิวัววัววัววัวเห็นพวกข้าพเจ้าก็ไม่รู้ไม่เห็นสุกรต่างหากเรารู้เห็นไล่กันไปเรื่อยพวกข้าพเจ้าก็ไม่เห็นกวางสิกวางเห็นกวางก็บอกว่าพวกข้าพเจ้าก็ไม่เห็นพวกกระต่ายสิรู้เห็นก่อนใครๆเอาแล้วนะเริ่มมาถึงต้นตๆแล้วนะว่าจะเจ้าพวกกระต่ายที่เห็นพวกฝูงกระต่ายอย่างข้าพเจ้า ตอนนี้พวกฟูงกระตายเป็นคนตอบนละก็ไม่รู้ไม่เห็นเองโน่นแน่โน่นแน่เจ้ากระตายตัวนั้น <c oughs> เป็นผู้เห็นกับตาตัวเองว่าแผ่นดินถล่มทลายกึกก้องกระตายตัวนั้นจึงตอบพญาราชสีว่าใช่แล้วข้าพเจ้ารู้เห็นเองตอนนั้นข้าพเจ้ากำลังนอนหลับอยู่ที่ในดงตาลใกล้โคนต้นมะตูมไม่ไกลจากทะเลด้านทิศตะวันตกนัก แต่แล้วก็ต้องตกใจตื่นด้วยเสียงแผ่นดินถล่มทลายกึกกล้องข้าพเจ้าจึงได้วิ่งหนีสุดชีวิตอ่าต่นี้ต้นตอเป็นคนเล่าเองแหละพญาราชศรีได้ยินดังนั้นก็คิดที่จะไปตรวจดูให้รู้ความจริงอย่างท่องแท้จึงกล่าวปลอบโยนกระต่ายตัวนั้นกับหมูสัตว์ทั้งหลายให้คลายใจลดความหวาดกลัวลงแล้วบอกว่าเราจะไปกับกระต่ายตัวนี้เพื่อดูให้รู้ชัดว่า แผ่นดินถล่มจริงหรือไม่แล้วจะกลับมาบอกให้รู้ขอให้พวกท่านจงรออยู่ในที่นี้จนกว่าเราจะมาเนี่ยผู้เป็นผู้เป็นผู้ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตผู้เป็นคนฉลาดผู้เป็นคนมีปัญญาไม่ตื่นข่าวอะไรง่ายๆฟังดูแล้วก็ต้องเออเออเ อ, อเอาเป็นข้อมูลไปก่อนอย่ารีบสรุปไปไง่ายๆแล้วดูที่ว่าเออมันมีเหตุมันมีผลอะไรขนาดไหน ใช่ไหมเราก็ต้องพยายามตามไปให้ถึงต้นตอว่าวต้นตอจริงๆมันยังไงเพราะยิ่งข่าวที่มาหลายหลายทอดเนี่ยอามาเคยเล่าให้พวกเราฟังบ่อยๆนะเทศไปก็หลายทีละอาตมาเคยเนะสมัยเรียนเป็นนักศึกษาครูเขาก็จะเอาอันนี้แหละมาใช้สอนในในสมัยเรียนอยู่เขาเอาเพื่อนมาเนี่ยสี่ห้าคนใช่ไหมเสร็จแล้ว อาจารย์เนี่ยเขาก็แบบว่าบอกว่าบอกข้อความให้คนหนึ่งฟังฟังเสร็จอีกสี่ห้าคนให้ให้ไปอยู่ในที่ไกลๆก่อนนะบอกให้บอกให้คนหนึ่งฟังเสร็จแล้วก็ให้คนเนี้ไปเล่าให้คนที่สองฟังคนเดียวนะไปเล่าให้คนที่สองฟังเพียงคนเดียวไอ้คนที่สองก็ฟังไอ้พวกนั้นก็ไปอยู่ไกลๆเดี๋ยวให้คนที่สองเนี่ยคนเดียวไปเล่าให้คนที่สามฟังไอ้พวกนั้นไม่ได้ยินด้วยเนี่ยไปเล่าต่อกันเนี่ยจนถึงคนที่สี่คนที่ห้า เสร็จแล้วเดี๋ยวให้คนที่ห้าเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังปรากฏว่ามันเปลี่ยนเป็นเรื่องใหม่แล้วจากเรื่องนั้นเนี่ยจะให้เห็นวน่าไอ้พวกข่าวลือพวกบางทีเราฟังข่าวข่าวหรือเราฟังอะไรต่างๆจากทอดทๆดๆทอดมาเรื่อยๆเนี่ยโอ้มันเพี้ยนไปได้เยอะแยะมากมายมันบัณฑิตคนฉลาดคนที่รู้อะไรเนี่ยอย่าไปสรุปอะไรง่าย แต่ถ้าจะเล่าให้เล่าไปตามที่ฟังมาว่าไม่รู้นะที่ฟังมานี่เขาเขาเล่าอย่างนี้นะแล้วขอร้องว่าพยายามเล่าให้ครบเพราะโดยกิเลสคนเราเนี่ยไอ้ตรงไหนชอบก็จะเสริมไอ้ตรงไหนไม่ชอบก็จะตัดทิ้งหรือเผลอๆก็ใส่ไข่นะที่สำนวนเ็าเรียกว่าใส่ไข่อตรงไหนชอบมนาะก็ใส่ไขด่ดีๆหน่อยนะเสริมขึ้นไปเลยไอ้ตรงไหนไม่ชอบก็ใส่ไข่มืองกันนะ โดยเฉพาะใส่เกลือด้วยนะเข็มๆหน่อยเพราะว่าเราไม่ค่อยชอบเนี่ยสายมันดังหนักเข้าไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยขนาดพยายามให้ไปเล่าให้ตรงที่สุดเนี่ยยังไม่ค่อยจะตรงเลยมันยังจะเพี้ยนเลยอ่ะมันที่ดีที่สุดนี้ให้เขียนมาอาตมาเดี๋ยวบางทีคนได้นั่นมาบอกเขียนมาเขียนมาเพราะว่าแม้แต่ตัวเองบางทียังยังไปเล่าเนี่ยบางทีเล่าแล้วมันก็ชอบว่ามันยาวไปเล่าแล้วบางทีเราจะเล่าสั้นๆ ไม่อยากให้มันยืดเจื้อมันอยากให้เขาบางทีได้รับความความตรงตามที่เขาบอกกล่าวมาก็ส่วนใหญ่เลยให้เขียนมาแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเสนอให้ <c oughs> นะอันนั้นนะ่ะใกลเกียงที่สุดแล้วก็แม่นยําได้ดีที่สุดเสร็จตอนี้พอพญาราชสีห์ใช่ไหมก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยไปดูที่ต้นต่อแล้วจึงให้กระต่ายขึ้นขี่หลังพญาราชสีห์ก็ร่ดนแล่นไปด้วยความเร็วกระทั่งถึงที่ดงตาล น, นั้น แต่กระต่ายก็ยังคงหวาดกลัวอยู่ไม่กล้าเข้าใกล้ต้นมะตุมจึงยืนอยู่ห่างๆแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้านอนอยู่ที่ใต้ใบาตานั้นตรงนั้นแหละที่เกิดเสียงดังกึกก้องราวกับแผ่นดินถล่มทลายแต่ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเสียงดังมาจากตรงไหนและเป็นเสียงของอะไรข้าพเจ้าจะยินแต่เพียงเสียงเพียงอย่างเดียวก็พูดตรงนะพูดตามความจริง พญาราชสีจึงเข้าไปยังโคนต้นมะตูมนั้นได้พบผมมะตูมสุกลูกใหญ่ที่หล่นลงม า, าที่หล่นอยู่เหนือใบตานนะนะจึงรู้ชัดเจนว่าไม่ใช่แผ่นดินถล่มทลายเลยดังนั้นจึงให้กระต่ายขึ้นขี่หลังแล้ววิ่งกลับไปบอกความจริงให้แก่สัตว์ทั้งปวงได้รับรู้นัวบว่าโอ้พญากระต่ายนี่นาตื่นตูม ที่เราเรามาฟังนิทานอีศพหรืออะไรอะ่ะใช่ไหมที่เขาเล่ากนันนั่นเขาตั้งชื่อกระตายตื่นตูมพระศาสดาคัน้นทรงแสดงชาดกนี้จบแล้วตรัสว่าพญาราชสีในครั้งนั้นก็คือเราตถาคตแล้วตัดพระคถานี้อีกว่าดูนะท่านสรุปเรื่องนี้ว่ายังไงบุคคลใดมักเชื่อตามเสียงคนอื่นโดยที่ยัง ไม่เข้าถึงร่องรอยแห่งความรู้แจ้งเลยบุคคล น, นั้นนับว่าเป็นพานโง่เขลาเก่งแต่เชื่อผู้อื่นมีความประมาทเป็นอย่างยิ่งส่วนบุคคลใดสมบูรณ์ด้วยศีลด้วยปัญญายินดีในความสงบบุคคล น, นั้นนับว่าเป็นป ร, ราดบัณฑิตงดเว้นความชั่วห่างไกลย่อมไม่เชื่อคนอื่นโดยประมาทเลย เนี่ยผู้เจ้ทาท่านก็นสรุปสอนเกี่ยวกับชาดกเรื่องนี้ให้ฟังเพราะฉะ น, นั้นอันเนี้ยอันตรามันานบอกว่าเออมันก็ตรงกับเหตุการณ์เข้ากับเหตุการณ์ได้ดีนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยให้เราเข้าใจการได้ฟังสือได้ยินข่าวได้อะไรมามีบางคนมาคุยกับตามาบอกเนี่ยชักรู้สึกกินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับแล้วจริงๆริงนันจริงๆนะนี่ขนาดอยู่วัดนั่นเะนี่ย มันมาบอกนี่ขนาดคุณอยู่วัดนะ่านคุณยังขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้แล้วพวกที่เขาอยู่นอกวัดอะใช่ไหมเขายิ่งใกล้เหตุการณ์เขายิ่งอะไรมากกว่านั้นเนี่ยอันตรมาต้งบอกว่าโอ้ถ้าคุณไม่ฝึกจิตให้ดีเนี่ยแล้วคุณก็ทําใจหรือว่าวางใจไม่เป็นคุณไปตามกระแสแน่กระแสข่าวคุณไปตามแน่น้ายิ่งบอกละ โดนกอกู้บ่อยๆโดนกอกู้บ่อยๆไอ้ครั้งแรกก็อาจจะพอวางใจนะพอซ้ําที่สองอชั ก, ช, กชักกระดด ก, กระดิกขึ้นมาหน่อยนะครั้งที่สมชักนั่งไม่ติดเลย <c oughs> มันก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นจริงๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้พระเจ้าจริงๆท่านสอนมาว่าเยอะแยะมากมายเหตุตา่างๆแม้ในสมัยผู้พุทธการก็เกิดเหตุเรื่องพวกนี้นะแม้แต่ภิกษุเองก็ยังเกิดเลย ก็อย่างยี่แล่เนี่ยก็เป็นข่าวแล้วก็เป็นพูดกันไปจนกระทั่งแบ่งเป็นพักแบ่งเป็นพวกจนกระทั่งสงกับสงเถอะยังจะทะเลาะ ก, กันได้เลยจะยังจะทําสังฆเภทคิดดูเอาโอโ้โหคุณอย่านึกว่าไอ้ตื่นข่าวหรือว่าอะไรพวกนี้นี่มีแค่นอกวัดในวัดก็ในวัดเถอะถ้าฝึกไม่ดีก็ยังมีปัญหาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้อ ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นธรามมาว่าสิ่งต่างๆถ้าเราเข้าใจได้นะเราจะได้เออนะระวัดระวังเพิ่มขึ้นนะอย่าอย่าไปคิดอะไรตื้นตื้นง่ายๆนะควรเป็นบัณฑิตที่ฉลาดในการที่จะคิดแล้วก็แยกแยะว่าคิดทําไปแล้วจะมีผลยังไงแล้วเมื่อถ้าเป็นอย่างนี้แล้วอะไรจะตามมาอะนั้นก็ลองหัดคิดหัดเผื่อดู แต่คิดแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่จมอยู่แต่ความคิดตัวเองไม่ไม่รู้จักฟังอะไรคนอื่นเขาก็ต้องฟังวันเมื่อวานเนี่ยจะมาสรุปได้ห้าพวกพวกที่หนึ่งคือพวกรักรัฐบาลรัฐนายกพวกที่หนะึ่งเพราะเมื่อวานก็มี้พวกนี้ด้วยนะนะตามจังหวัด ต, ต่างๆหรืออะไรพวกนี้เขาก็มีโหสนับสนุนเชียร์เผาอะไรเผาขุนคุณสนศรี แล้วก็ออกมาบรร nam ออกมาว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยนั่นแหละก็น่หลายหลายจังหวัดเลยแต่รู้สึกที่โคราชมึงก็มีทั้งสองพวกเลยทั้งหนุนทั้งค้านนี่ยระวังเถอะเดี๋ยวโคราชถล่มกันเอง <c oughs> <c oughs> ก็ต้องระวังให้ดี <c oughs> ะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคือถ้าฟังข่าวแล้วจิตไม่นิ่งไม่สงบไม่ไม่รู้จัก อ, อะไรอ่ะ ที่จะตามหาข้อมูลหรือว่าหาความชัดเจนอะไรให้พออย่านะถ้าเราปล่อยไปตามอารมณ์เนี่ยมันจะแบ่งพักแบ่งพวกทันทีวันเนี้ยพวกนึงก็รักนายกรักรัฐบาลอะไรพวกนี้เนีย่ยพวกนี้ก็เชียร์มันมีไปให้ดอกไม้มีไปอะไรต่างๆแม้แต่อะไรนะที่มีข่าวออกมานะข่าววันแรกก็พวกอะนรลยนะขนาดจาน ธรรมศาสตร์จุล า, าลงชื่อกันให้ในายกออกเดี๋ยววันถัดมาก็พวกสิทธิ์เก่าจุลาตั้งโตเหมือนกั น, นเสนอข่าวออกข่าวเหมือนกันบอกว่าอาจารย์จุลาบางคนเท่านั้นน่ะคิดเห็นอย่างนั้นนะพวกเขาไม่ได้สนับสนุนอย่างนั้นเลยพวกนีก้ก็กลายเป็นมาเชียนายกเอาถึงบอกเนี่ยถ้าแต่ละที่เนี่ยนะ ใครปรคิดยังไงแล้วก็จะเอาอย่างนั้น่ะจะเอาอย่างของตัวเองรับรองว่าที่นั้นจะแบ่งพักแบ่งพวกทันทีมาถึงบอกว่าอันนี้ต้องระวังให้ดีเพราะว่าถ้าเอาแค่เรื่องเหตุผลเถียงก็ไม่จบนะถ้าเอาแค่เรื่องเหตุผลขาวเนี้ยต้องระวังอย่างที่พ่อท่านสอนเนี่ยท่านมักจะบอกว่าเหตุผลคือความบ้าอัตราคือของจริงหรือความจริงและเาเนี้ย ถ้าคนเนี่ยเอาแต่เหตุผลแต่ว่าไม่ดูลืมดูกิเลสตัวเองลืมดูอัตตามานาของตัวเองพังที่ไหนก็พังทะเลาะกันเสียงกันรับรองไม่ไม่ใช่แค่ได้เรื่องอะได้เลือดแน่ได้เลือดแน่ว่านี่จะต้องระวังวันนี้เนี่ยพวกนึงก็จะเป็นอย่างนี้นะส่วนอีกพวกนึงอ่ะอันนี้พวกลักทางสนธินะนั่นะนะนะก็ไปร่วมกันไปอะไรกัน หน้าที่อะไรนะพระบร ม, มรูปโอ้ก็เป็นหมื่นๆเลยนะโอนะ้จะมาจากใต้จริงๆก็จะจากเหตุอื่นก็ก็ตามแต่นะแต่ก็พอดีอไม่ชอบนายกทักษิณเหมือนกันก็มาร่วมกันโอ้ก็เป็นหมื่นๆเลยน่าจะมัฟคูมั่งจะอะไรมั่งอะไรอะไรนะก็มาร่วมกันแต่ถ้าสงบอะไรได้ก็ยังดีใช่ไหมอ่านี่ยเนี่ย น, นี่ก็อีกพวกหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญที่สุด ที่ต้องระวังที่จะมายเห็นเลยเพ่ออันมาก็เคยบอกแล้วไปฟังให้ปากไปอะไรต่ออะไรก็เคยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่เวลาเราไปฟังอะไรเนี่ยเขาจะเสนอข่าวเขาจะอะไรสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือผู้เสนอข่าวเนี่ยเสนอโดยลักษณะยั่วยุหรือเสนอโดยลักษณะที่ที่เป็นม็อบนี่แหละเขาเรียกว่าม็อบคือจะปลุกเขาเรียกว่าปลุกระดมคนให้มีความรู้สึกรุนแรงให้มีความรู้สึก ที่จะแบ่งพักแบ่งพวกแล้วก็จะอะไรอะอะไรเอาตามที่ตนต้องการให้ได้ถ้าไม่ได้ก็คราวนี้จะรุนแรงไปทํำร้ายคนอื่นเขา้าไปะอะไรเขาอันเนี้ยจะต้องระวังทั้งผู้ที่จะเสนอข่าวทั้งผู้ที่ไปฟังด้วยผู้ที่ไปรับฟังเพราะพวกที่ไปรับฟังเนี่ย que, บางทีอ่ะคุณไปอยู่ในมวลมากๆซึ่งสมมุติแบบกลุ่มนั้นเขาชอบอะไรเนี่ยไอคนที่ขึ้นไปพูดเขาก็ต้องเอาพวกที่ชอบขึ้นไปพูดทั้งนั้นอ่ะ ใช่ไหมเพราะขืนเอาคนไม่ชอบขึ้นไปพูดจเดี๋ยวเดี๋ยวตายแน่ <c oughs> เดี๋ยวก็อัดตายแล้วก็เอาคนที่ที่ข้างเดียวกันจะขึ้นไปพูดเสร็จแล้วคุณไปสังเกตุที่ข้างเดียวกันเนี่ยพูดอ่ะบางทีเนี่ยพูดประโยคหนึ่งจบมันอะไรมากเลยตกมือเลยบางที <c oughs> พูดไปประโยคเจบเว๊ะตกมืออัมาอะไรยังไม่เห็นจะมีเหตุผลอะไรมากมายเลยแล้วไม่ทําไม่ได้นะถ้าคุณไปอยู่ในนั้นอ่ะ คุณจะไม่ตบมือแบบยร์เขาด้วยเดี๋ยวเขาเฮ้ยทําไมไม่ตบมือด้วยเดี๋ยวคุณซวยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้คุณไปอยู่ในม็อบในมูในมัวอย่างนั้นอ่ะคุณก็ต้องไปตามด้วยอ่ะใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเขาหมั่นไส้เขาไม่ชอบเอ้ยอันี่สปายหรือเปล่าสายลับหรือเปล่ามาอยู่ท่ามกลางเนี่ยหรือมือที่สามใครมีมือสามมือมั่งใครมีมือสามมือมั่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยก็ต้องเป็นไปอย่างเขาใช่ไหมโดยโด ย, โดยสภาพภายนอกก็ต้องเป็นอย่างเขาแม้ใจจะไม่เห็นด้วยก็ต้องตามเขาไปซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแต่อั น, นเนี้ยเนี่ยอดตมาเบอกม็อบทุกม็อบก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถึงบอกว่าที่น่ากลัวอันตรายคืออันนี้แหละการปลุกระดมแล้วก็ยั่วยุทําให้เกิดอารมณ์ร้อนแรงรุนแรงคือมันคนที่ยับยั้งอารมณ์ไม่ได้มันก็จะเกิดเหตุขึ้นมา ไอคนที่เออแม้ว่าเขาจะโดนยั่วยุอย่างไงเขายังมีเหตุผลเขารู้จักเรื่องยับยังอารมณ์ได้เขาก็ไม่ไปทําเรีวร้ายเนี่ยแต่ไอจํานวนคนเยอะๆมากมายเนี่ยเวลามันเกิดอะไรขึ้นมาโอ้โหก็กตายตื่นตูมเนี่ยมันตัวเดียวเท่านั้นนะแต่พอมันเกิดเหตุขึ้นมาในในฝูงคนจํานวนมากเนี่ยใช่ไหมคนมันตกใจเนี่ยมันไม่รู้เหตุผลหรอกไอตกใจเนี่ยยังไม่รู้อะไรเลยพอเขาตกใจไอคนเดียววิ่งเนี่ยแหละ ไอคนอื่นจะวิ่งตามหมดอันนี้อันมาก็เจอกับของจริงตัวเองมาแล้วไอยุคไอนั่นแหะไอสบสี่ตุลาหรือหกตุลาอะไรพวกเนี้ยันมาเคยเข้าไปในลักษณะที่อย่างนี้เขาเนี่ยก็เข้าไปก็จะไปฟังอยากจะไปรู้ความจริงอยากจะไปอะไรเหมือนกันสมัยเป็นนักศึกษาโอ้โหเสร็จแล้วก็นั่นแะเขาเอาพวกพลล่มป่าหวายมาลงเนก็ยึดถนนหมดเลย ไอ้พวกที่เข้าไปที่จะไปรวมกลุ่มไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมากขนาดกําลังเดินไปที่สนามหลวงเนี่ยขนาดเดินมายังไม่ถึงเลยนะแต่ว่าตลอดแนวนี้ก็คนก็เยอะแล้วจานวนมากเลยเสร็จทหารเขาจะมาสลายม็อบไงนะยุคนั้นน่ะเขาก็ลงรถมาถึงตั้งแถวเลยทหารก็เลี้ยงแถวหน้ากระดานเลยนะพอเลี้ยงแถวเสร็จเขามีอาวุธทั้งนั้นอย่เงี้ยเขามีปืนเสร็จแล้วยังไงเขาก็ ยกปืนขึ้นมาไอเราก็ววับแล้วทีมยกปืนขึ้น <c oughs> โอ้ตอนนั้นก็วบวับแล้วเสร็จแล้วไง <c oughs> วก็ยิงขึ้นฟ้าเนี่ย <c oughs> แค่ยิงขึ้นฟ้าเนี่ยเป็น <c> เ <oughs> <c oughs> ชื่อไหมโอ้ย <c oughs> คนวิ่งกันมันไม่มองเลยนะว่าเขายิงอะไร <c oughs> จริง ๆ, ๆก็ถือปืนอย่างนี้แล้วก็ยิงขึ้นฟ้า <c oughs> ก็เนี่ยเหมือนฟ้าถล่มดินทลายอ่นี่แหละ <c oughs> แค่คนวิ่งเพียงคนเดียวเนี่ย คุณรู้ไหมแค่คนวิ่งเพียงคนเดียวเนี่ยคนอื่นต้ ว, วิ่งตามหมดทุกคนเพราะอะไรเพราะถ้าคืนคืนคุณไม่วิ่งตามนะคุณจะล้มทันทีเลยเพราะเขาจะชนคุณลม้มแล้วเขาจะเหยียบคุณทันทีเพราะฉะนั้นเลยต้องวิ่งเพราะไม่วิ่งไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นอดนตมันต้องบอกว่าโห้รู้สึกเลยจริงๆเจอด้วยตัวเองมาแล้วถึงบอกเออรู้สึกจริงๆบางทีเราไม่ได้อยากรุนแรงเราไม่ได้อยากอะไรนะ แต่แค่คนคนเดียวเนี่ยหรือหรือไอ้ไม่กี่คนเนี่ยมันอ น, นั่นขึ้นมาเนี่ยเหตุการณ์มันผันผวนเกิดได้ทันทีเลยแล้วคราวนี้คนเจ็บคนตายจะเกิดขึ้นได้ทันทีมากมายเพราะนั้นอันตรายเรื่องตรงนี้นั่นเนี่ยเนี่ ย, ยคือพูดนะเน่ยอ้าวลักนายกไปแล้วกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองลักคุณสนทิอ่ากลุ่มที่สามกลุ่มที่สามคือพวกตามฟังผลงาน <laughs> เออ พวกนี้เอาละไม่ได้ทําตามใจพวกรักสองกลุ่มเนี่ยมักจะตามใจเข้าใจไหมรักนายยกก็เอาตามใจเลยอ่ะไม่ไม่ไมค่อยจะเอาตามจริงอะ่ะเขาเนี้ยคือไม่รู้ละข้อมูลเราจะมายังไงไม่สนเลยเพราะว่ารักแล้วชอบแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเอาใจตามเนี้ยเสร็จแล้วก็นะเพียงแต่รักใครก็จะเข้าข้างคนนั้นแหละอคติจริงๆนะอคติเพราะรักกับอคติเพราะชังเกิดขึ้น ลำเอียงก็เข้าข้างตามคนที่ตัวเองชอบมันเป็นตามใจแต่ไม่ใช่ตามจริงไม่ใช่ตามจริงแล้วเพราะเนี่ยผู้เจ้าถึงตัดเห็นไหมต้องเป็นคนมีศีลต้องเป็นคนที่พูดง่ายว่าอะไรพยายามตรวจกิเลสตัวเองต้องพยายามรู้กิเลสตัวเองว่า ต, ตอนเนี้เป็นมณฑอัตตาของเราหรือเปล่าไอ้เหตุผลต่างๆมไม่เกี่ยวแล้วมันเกี่ยวกับเรารักเราชังแล้วแล้วเราก็เข้าข้างตามที่เราชอบหรือเปล่านะอันนั้นสองพวกไปแล้วส่วนพวกที่สาม อันนี้พวกที่สคือพวกที่เนี่ยพยายามตามความจริงพวกนี้ยังไม่ขยับตัวพวกนี้ก็คอยตามข่าวไปเรื่อยดูซิว่าอะไรยังไงกันแน่ยิ่งใครทำตามข่าวได้มากที่สุดเท่าไหร่คนนั้นน่ะจะรอบครอบได้มากแล้วจะไม่ผีผาบอ่ะจะไม่ค่อยประมาทแต่ใครเนี่ยถ้าตามข่าวนะคุณตามแบบตามข่าวข้างเดียวอ่ะ ไอ้อ้นี่อ้นี่อยู่ในสองพวกนั้นพวกตามข่าวข้างเดียวนี่อยู่ในสองพวกนั้นอันนี้ตามข่าวนี้คุณต้องตามให้ได้จริงๆว่าเออข้างนี้เขาบอกอย่างนี้อีกข้างเขาบอกยังไงเออแล้วคุณก็เอามาประเมินประมาณใช่ไหมมาพิจารณาดูเออพวกนี้แหละเป็นพวกที่ถือว่าเป็นบัณฑิตหน่อยฉลาดนะรู้จักที่จะละเอียดละออรอบข้อนันี่คือพวกที่สามส่วนไอ้พวกที่สี่ก็คือพวกที่ ใครยังไงก็ช่างเถอะเพราะอะไรจะเปลี่ยนนายกจะเปลี่ยนรัฐบาลจะอะไรก็กูก็เหมือนเดิมอยู่แล้วเพราะอะไรคือกูยังจนเหมือนเดิมอ้าวพูดมา่กี้ยุคกี่สมัยแล้วกูยังจนเหมือนเดิมมาเปลี่ยนอะไรมันยังไงกูก็ยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นกูต้องพึ่งตัวกูเองตนเป็นที่พึ่งของตนอจริงๆผู้อื่นจะเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะว่าเขาก็เจอมาหลายรัฐบาลเจอมาหลายนายกแล้ว ใช่ไหมก็ทุกนายกก็มาพูดดีๆทั้งนั้นอ่าแล้วก็ทุกนายกก็พยายามแก้ปัญหาทั้งนั้นเแต่เขาเองเขายังรู้สึกว่าเขายังเหมือนเดิมเลยไม่เห็นเขาจะดีอะไรขึ้นมานะโดยเฉพาะคนโจนนั่นแหละเขาค่อนข้างรู้สึกว่าเขาเหมือนเดิมอ่าเพราะนั้นพวกนี้เลยพูดง่ายๆว่าเอือมซะแล้วเอือมกับการเมืองเอื่มกับอะไรพวกนี้เพราะนั้นไม่ค่อยใส่ใจไม่สนใจนะพวกเองจะมอฟพวเองจะ ตัวตานจะสนับสนุนะลยเชิญเถอะข่าก็ทํามาหากินของข่าไปนะพึ่งตัวของข่าเองเนะียสบายที่สุด น, ะนี่นี่คืออีกพวกหนึ่งนะนี่สี่พวกกันนะส่วนพวกที่ห้าเมืวว่อวา น, นมาเห็นข่าวเออพวกนี้มีอีกพวกหนึ่งอาตมาอยู่พวกนี้แหละบอกก่อนว่าอาตมาอยู่พวกนี้ป้ากฏว่ามีอีกพวกหนึ่งเขาก็นั่นแหละเขาก็ฟังข่าวข้าวเขาก็อะไรต่างๆแล้วเขาก็มารวมตัวกัน เสร็จแล้วเขาก็แต่อันนี้ยังไม่ไม่สามารถทิฏฐินะแต่อาตมาดูเป้าหมายดูเจตนาเขาว่าเออพวกนี้ดีอาตมาถ้าจัดอาตมานี้อาตมาจะอยู่ในพวกนี้คือเขามารวมตัวกันแต่อันนี้เนี่ยเขารวมตัวแบบฆานิยมเดิมๆมารวมตัวกันสวดมนมารวมตัวกันแผ่เมตตาเพื่อที่จะให้ายาได้เกิดเทพเพศภัย ประเทศชาติบ้านเมืองก็จะได้อยู่เป็นสุขร่มเย็นนะไอ้แบบนี้จริงมันก็ส่งจิตไปอะนะ ก, ก, ก็ดีดีดีขนาดหนึ่งแหละนะแต่ว่ามันมันช่วยอย่างนี้มันยังยังไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เกิดผลสักเท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตมาบอกเอออัตมาอยู่ในพวกนี้แหละแต่อัตมาไม่เอาอย่างนี้นะ <c oughs> <c oughs> คืออยากให้สามัคคีอยากให้ปองดองอยากให้ปัญหามันมีแน่นอน คุญจะรัฐบาลไหนก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นอะ่ะเออหาทางที่มาพูดคุยหาทางที่มาแก้ปัญหากันสิใช่ไหมอา้าวไม่ชอบใจอะไรยังไงเอามาพูดมาเสนอแล้วตกลงกันได้ขนาดไหนแล้วบอกได้เลยว่าไม่มีใครสมหวังได้ร0อร์ซ์หรอกอย่รับรัฐบาลจะประชาชนจะใครก็เอกชนอะไรก็ตามใช่ไหมเมื่อเวลามันเหตุเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องมาตกลงกันเนี่ย อย่างน้อยๆบางทีก็ห้าสิบห้าสิบเพราะถ้าใครจะเอามากกว่าอีกฝ่ายก็ต้องไม่ยอมใช่ไหมเพราะนั้นจะตกลงกันได้เพื่อที่จะให้อยู่ร่วมกันได้เนี่ยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็ต้องมาลงกันที่ข้างนี้ก็พอใจข้างนี้ก็พอใจถึงจะตกลงกันได้อเหมือนอย่างที่เราไปโพเทสที่หน้ากรรทเนี่ยเป็นที่พอใจก็เลิกไปนอนที่หน้ากลรท ออแล้วทา ง, ทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเขามาคุยด้วยเขาก็พอใจว่าเออถ้าอย่างนี้ได้แล้วเออก็พวกเราก็สลายแล้วก็รอกันแล้วกันว่าเดี๋ยวเขาจะออกกฎหมายนะที่จะห้ามจะต้านเรื่องอบายมุกต่างๆเนี่ยยังไงเราก็รอฟังข่าวต่อ อ, อย่างนี้เป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายมันถึงจะยุติได้เพราะฉะนั้นการจะยุติได้ต้องพอใจทั้งสองฝ่ายถึงจะยุติได้ ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่พอใจคุณยุติได้ไหมยุติไม่ได้เรื่องไหนในโลกนี้ก็ยุติไม่ได้ไม่ต้องไปเรื่องใหญ่หรอกบางทีพี่น้องกันสองคนเนี่ยเสียงกันทะเลาะกันเน่ยยังตกลงกันไม่ได้เลยพี่น้องกันแท้ๆบางทีก็สามีภรรยา <c oughs> ตกลงกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะอีกฝ่ายยังไม่พอใจก็ไม่ได้เพราะนั้นถ้าจะยอมก็ต้องท้องฝังฝ่ายต้องยอมฟังดูดีๆนะ ทั้งสองฝ่ายต้องยอมอหรือถ้าจะเสียเสียผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายต้องเสียผลประโยชน์ถึงจะยอมเห็นไหมไม่อย่างนั้นนะ่ะไม่มีทางตกลงได้เพราะอะไรเอาอันนี้ค่าได้โอ้แต่ต้องเสียใ้นไอ้นี่ใช่ไหมไม่ยอมค่าข้างเดียวไม่ได้ข้างเองก็ต้องได้เสียอย่างนี้ด้วยสิค่าถึงจะยอมเห็นไหมเพราะฉะนั้นยิ่งคนจำนวนมา ก, มากๆเนี่ยโอ้โหความที่เห็น หลากหลายเยอะแยะมากมายปัญหายิ่งเยอะเพราะงั้นการตกลงกันเนี่ยยิ่งยากเพราะฉะนั้นลองฟังอาตมาจะเอาเนี่ยเป็นตัวสรุปพระเจ้าท่านตรัสเอาไว้นะจริงๆท่านก็สอนพวกหมู่สงนั่นแหละแต่มันก็คือสังคมของพุทธเนี่ยท่านตรัสว่าอย่างนี้ลองฟังดูนะว่าหมู่คณะผู้กล่าวคำอธรรมเป็นไนกล่าวคาอธรรมหมายถึงว่า พูดจาอะไรแล้วมันอะไรอ่ะมันไม่เป็นธรรมอ่ ะ, อะธรรมเนี่ยนะเป็นฉไหนมู่คณะใดาในธรรมวินัยนี้ก็คือในพุทธศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าท่านจะสอนอย่างนี้เป็นผู้ยึดถืออธิกรยึดถืออธิกรก็หมายถึงว่ายึดถือเรื่องหรือว่าคดีความอะไรที่เกิดขึ้นมาเนี่ยยึดถืออธิกรซึ่งเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็ตามแล้วไม่กระทํากันและกันให้ยินยอม ไม่เข้าถึงความตกลงกันไม่กระทํากันและกันให้เพ่งโทษที่ตนและไม่เข้าถึงการเพ่งโทษตนมีการไม่ตกลงกันเป็นกําลังมีการไม่เพ่งโทษตนเป็นกําลังคิดไม่สละคืนคือคิดจะเอาแต่ได้คิดไม่สละคืนยึดมั่นคดีความนั้นด้วยกําลังด้วยรูปคําแล้วกล่าวว่าคํานี้ เท่านั้นจริงคำอื่นเปล่ามูคณะนี้นะพระเจ้าท่านเรียกว่าอธรรมวาทีบริษัทหมายถึงมูกลุ่มไหนประเทศไหนสังคมไหนก็ตามที่มีลักษณะอย่างเนี้ยพระเจ้าท่านถือว่าอย่างเี้ยเป็นอธรรมวาทีหมายถึงว่าเป็นคนที่พูดจาแล้วไม่เป็นธรรมเป็นคนที่ไม่เป็นธรรมละที่ที่พูดอย่างเนี้ย วันนี้ท่านบอกเลยเห็นไหมมันมันต้องมีคดีเกิดขึ้นแน่มีเรื่องเกิดขึ้นเสร็จแล้วไม่ยอมกันอะตกลงกันไม่ได้คือคือไม่ยอมกันนั่นเองก็เลยตกลงกันไม่ได้แล้วเหตุอะไรที่ตกลงกันไม่ได้เหต น, นี้สําคัญมากเนี่ยพระเจ้าท่านชี้ไปที่เป้าเลยชี้ไปที่ประเด็นเลยที่ตกลงกันไม่ได้ก็คือจะเอาแต่ประโยชน์ของตนแล้วบอกแล้วทุกคนมีเหตุผลใช่ไหมอ่าเพราะฉะจะเอาแต่เหตุผลของตนแต่เหตุผลคนอื่นเขาไม่เอาไง เพราะเนี้ยคือไม่เพ่งโทษที่ตนแต่จะเพ่งโทษแต่คนอื่นเขาก็หมายถึงว่าเวลาพูดใช่ไหมว่าแต่คนอื่นเขาเขาผิดอย่างนั้นเขาไม่ดีอย่างนน้ะแต่ไอ้ไอที่ผิดที่ไม่ดีของตัวเองนี่ไม่พูดถึงเลยนะเออแต่จะพูดแต่ไม่ดีของคนอื่นเขาอ่าและพอดีก็คือพูดดีใส่ตัวอ่าแต่คนอื่นเขาเหมือนไม่มีดีเลยเห็นไหมเพราะถ้าใครเนี่ยพูดอย่างนี้ประกาศอย่างนี้บอกอยู่แต่อย่างนี้ พุทธเจ้าถือว่าอาธรรมมาวะทีบุคคลเลยหรือว่าถ้ามูกลุ่มนั้นเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยไม่เป็นธรรมพูดจาอย่างนี้ไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่มีวันที่จะตกลงกันได้ไม่มีวันตกลงกันได้เลยเพราะต่างจะเอาแต่ผลของตัวเองผลอะไรที่ตามมาพุทธเจ้าท่านจะบอกเลยถ้าทำอย่างนี้นะมูคณะดือมูคณะใดในธรรมวิญญานี้มีผู้หมายมั่นทะเลาะวิวาทกันต่างเอาหอก พระอาจาท่านใช้คำว่าต่างเอาหอกนีนะ่คือปากหอกนี่คือปากนะไม่ใช่อาวุธหอกนี่คือปากทิมแทงกันและกันอยู่หมู่คณะเช่นนี้เรียกว่าบริษัทที่แยกกันเป็นพวกพวกเห็นหมมันจะแตกสามาัคคีมันจะแบ่งเป็นพักเป็นพวกขึ้นมาไม่มีทางปองดองกันได้เลยนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยให้พวกเราสรุปเข้าใจทิศทาง แล้วก็หลักการของศาสนาพูธให้ได้ส่วนอ น, นี้ผู้เจ้าท่านตัดมูคณะผู้กล่าวคําเป็นธรรมเป็นฉนัยมูคณะใดในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ยึดถืออธิกรซึ่งเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็ตามแล้วก็ทํากันและกันให้ยินยอมเข้าถึงความตกลงกันได้เห็นไหมจะเรื่องใหญ่ขนาดไหนหรือจะเรื่องเล็กนิดเดียวก็ตามนะแต่รู้จักยอมกันบ้างสินะหาทางตกลงกัน และเข้าถึงการเพ่งโทษตนดูทิส่วนไหนที่เราผิดพลาดที่เราบกพร่องใ ห, ให้ดูตรงนี้ของตัวเองด้วยมีความตกลงกันเป็นกำลังคือใช้ใช้การตกลงกันเป็นกำลังหมายถึงว่าให้ความสำคัญกับการตกลงกันอย่าไปใช้กำลังเถียงกันอย่าไปใช้กาลังยกพวกหรือว่าจะใช้กาลังเอาพวกมากเขาว่าอย่าอย่าไปใช้นะให้ใช้การตกลงกันเป็นกำลังคิดสละคืนเนี่ย ไอ้คืนอัตตาคืนมานะคืนไอ้ความจะเอาแต่ของตัวเองเนี่ยคืนซะอย่าเก็บไว้ <c oughs> คืนบ้างคืนบ้างนะคิดสละคืนไม่ยึดมั่นคดีความนั้นแม้ด้วยกำลังแม้ด้วยการรูปคำว่าดูนะไม่ยึดว่ายังไงไม่ยึดว่าคำนี้เท่านั้นจริงคำอื่นเปล่าหมู่คณะนี้เรียกว่าธรรมวาทีบริษัทเห็นไมเพราะเวลาเถียงกันทีไรเนี่ย ข้าพเจ้าถูกท่านผิดที่ของข้าพเจ้าเนี่ยข้อจริงของท่านมันข้อเท็จเนี่ยยกอ้างเป็นประจำคุณไปฟังเถอะโดยส่วนใหญ่คุณจะเจออันนี้เป็นประจำไม่จบอ่เพราะฉะนั้นหมู่คณะใดในธรรมวิในนี้นะที่จะพร้อมเพียงกันได้จะอะไรกันได้เนี่ยต้องทําอย่างที่พระเจ้าบอกต้องเป็นธรรมบารทีพูดอะไรแล้วพยายามให้มันอะไรอะ่ะ เอ้ยอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเออเาอาจจะมีเหตุผลอย่างอื่นอีนะอ้าวพูดมาสิเพื่อที่จะได้แบบว่าไ อ, ไอ้ความที่เราคิดในแง่ลบคิดในแง่เพ่งโทษอะไรมันจะได้ลดลงใช่ั้มผลที่ตามมาก็จะเกิดมูขนาดใดในธรรมวินัยนี้มีผู้พร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้นมกับน้าต่างมองดูกันและกันด้วยดวงตาอันเป็นที่รักอยู่ หมู่คณะเช่นนี้เรียกว่าบริษัทที่สามะคีกันเพราะจะสามะคีกันได้เนี่ยไม่มีทางอื่นนะต้องยอมกันให้ได้ต้องหลกตกลงกันให้ได้ถ้ายอมกันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้ไม่มีทางจบหรอกเถียงกันได้ตลอดอ่าพอดีมีผู้บอกว่ากระผมฟังธรรมะของพระอาจารย์ที่กล่าวขานในวันนี้สรุปลงตรงที่หากหลงทำตามกระแสไม่กันกองด้วยปัญญา จะศรัทางงมงายใช่ไหมครับใช่เป้าหมายอยู่ที่ตรงนี้จริงๆส่วนว่าทุกเรื่องมันจะมีผิดมีถูกบอกแล้วนะอันนี้หนีไม่พ้นหรอกนะให้เราเข้าใจตรงนี้ให้ได้ ว, วันนี้อาตมาสรุปนะตรงที่เรียกว่าถ้าใครฟังทำวันนี้แล้วเราเข้าใจจริงๆนี่อาตมายังจะยกตัวอย่างได้อีกเยอะเลยนะเพราะเรื่องพวกนี้บอกแล้วแม้แต่สมัยพุทธกาลเนี่ยมันก็มีเหตุพวกนี้จนกระท่านพระความบาตโยมโยมความบาตพระโอ้ มีมาแล้วตัวอย่างพวกนี้ประวัติศาสตร์ต่างเนี่ยเยอะแยะมากมายที่บางทีเราก็จะยินได้ฟังมาแต่มันแค่ได้ยินได้ฟังมันยังไม่เข้าถึงจิตวิญญาณเราจริงๆพอเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเราก็ยังคงไปตามกระแสโลกกระแสโลกีเพราะฉะนั้นจะต้องระวังตรงนี้ให้ดีนะเราจะเข้าสู่กระแสธรรมกระแสธรรมเนี่ยคือพยายามเข้าถึงสัจจะเข้าถึงความเป็นจริงให้ได้แล้วโดยไม่ประมาทด้วย มันถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะเป็นคนที่นะในที่สุดมันต้องสรุปอะมันต้องข้างใดข้างหนึ่งแน่นอนตรงกลางไม่ใช่หมายถึงว่าไปอยู่ระหว่างคนสองข้างนะคือไม่มีถูกไม่มีผิดไม่ใช่ตรงกลางเนี่ยคือเข้าข้างความถูกต้องแต่ฟังดีๆตรงกลางไม่ได้เข้าข้างคนที่เราชอบตรงกลางเข้าข้างอาจมาไม่อยากใช้คําว่าเข้าข้างคนถูกต้องเพราะ คนถูกต้องกับบางทีมันมีผิดอยู่ด้วยอ่ะบางทีจึงใช้คําว่าตรงกลางคือเข้าข้างความถูกต้องไม่ใช่เข้าข้างคนที่ถูกใจนะฟังให้ดีๆตรงกลางอยู่ตรงนั้นเพราะเท่าที่อจตมาฟังกระแสฟังข่าวอะไรต่างๆเนี่ยยังเห็นอยู่ว่าในหล า, หลายๆฝ่ายเนี่ยมันมีทั้งความถูกต้องและความไม่ถูกต้องปนเปอยู่ด้วยกันเพราะเราจะต้องรู้จักแยกแยะ ว่าเออเรื่องไหนเรื่องนี้เราเราเชียร์คนนี้คนนี้พูดได้ถูกเรื่องนี้ <inflamm Liberty. S 2> แต่เรื่องเนี้ยไออีกเรื่องนึงแล้วคนนี magic, ้พูดไม่ถูกแล้วเรื่องนี้ไม่เชียร์เรื่องนี้ไม่สนับสนุนอ่าต้องชัดเจนเพราะตรงกลางเนี่ยคือเข้าข้างความถูกต้องแล้วไอถูกต้องก็ตามภูมิของเราอีกแหละแหมภูมิตาเตาต่วมเตี้ยม ก, ก็ได้แค่นั้นนะก็จะยังไงได้แต่มีความจริงใจถึงจะต่ อ, ต อ, ต อ, ตอเต่าต้วมเตี่ยมเราก็พยายามรอบคอบที่สุดแล้วนั่นะก็เอาตามภูมิเราอ้าวบางคนก็อะไรยีราฟคอยาวภูมิถึงขนาดนั้นก็เอาก็ตามภูมิคนนั้นนั่นแหละนะไม่ต้องห่วงไม่อย่างนั้นนะข้อแย้งเหตุผลมีเยอะมากนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากธรรมะเหล่านี้เพราะก็ตามกาละตามเหตุการณนะ์ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้ เราก็จะเป็นคนที่ช่วยชาติช่วยสังคมอาตมาอยากจะบอกว่าช่วยโลกนี้ด้วยซ้าไปช่วยมนุษยชาติเพราะเหตุการณ์ทุกวันในโลกขนาดนี้แต่ละประเทศเยอะแยะมากมายทั้งพวกผู้ก่อการร้ายทั้งคนแบ่งพักแบ่งพวกมันเยอะเหลือเกินและในโลกนี้เพราะเรานี่มีพวกเดียวพวกไหนพวกบุญนิยมเราพวกเดียวเท่านั้นะ่ะ เพราะว่าบุญนิยมยังคุ้มหมดแล้วเป็นไปเพื่อสร้างสรรเป็นไปเพื่อช่วยเหลือคนส่วนมากแล้วตามความเป็นจริงด้วยนะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราเนี่ยก็พยายามไปแล้วกันนะเราก็ถือศีลปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุดทั้งสังคมทั้งบ้านเมือนงะโดยเริ่มที่ตัวเราให้เป็นกลางอย่างนี้ให้ได้วันนี้คงฝากไว้เท่านี้